คราวนี้เห็นจะไม่ต้องวิ่งกันอีกนะผมพูดกระเซ้าในมั่นเล่นไหนอ่ะในมั่นหน้าตาสงสยัยหันมาถามผมแต่พอแกนึกออกว่าผมพูดนั้นหมายถึงอะไรแกก็หัวเราะก้าวจริงสินะไปฟังเพลงพวงมาลัยแล้วก็วิ่งกันแทบตายเลยวันนั้นอนะ่ะในมั่นพูดแล้วก็หัวเราะ อ, อีกเมื่อนึกไปถึงเรื่องเก่าที่ไปเล่นสงกรานที่อยุธยาตําบลบางบาลคราวนี้ก็ไปที่อยุธยาอีกซะด้วยผมว่า แต่คราวนี้ไม่ใช่เอเภอบางบานนะสิไปบ้านนาครหลวงกันดอกนะในมั่นพูดเท่าที่เราพูดหยอกล้อกันเล่นนี่ก็คือในมั่นแกมาขบวนผมไปเที่ยวอายุธยาอีกที่บ้านนาครหลวงแกจะไปตกลงเรื่องการสร้างพระเพราะว่าแกมีอาชีพทางการหล่อพระตามถิ่นฐานของแกแห่งบ้านคมิน้นและที่แกชวนไปเที่ยวครั้งนี้จะเลยไปในงานแต่งงานควบกันไปเลยผมอึกอัใจนิดหน่อย ที่จะไปในเรื่องการสร้างพระก็ไม่มีอะไรที่ต้องคิดมากแต่เรื่องที่จะเลยไปที่งานแต่งงานของคนอื่นเขานส่สิมันขุนใจพี่ลึกผมไปรู้จักมักคุ้นอะไรกับเขาผู้เป็นญาติหรือเปล่าหรือว่าตัวเจ้าสาวเจ้าบ่าวก็ไม่ใช่ดูจะเป็นการทะลนตนไม่เข้าท่าเข้าทีเดียวที่ไปงานโดยไม่ได้เชิญในมั่นรับรองว่าอย่ากลัวในข้อนั้นเลยทางบ้านนอกเนี่ยเขาถือว่าเป็นเกียรติเขายินดีนะที่มีผู้ไปให้เกียรติเขา ซ้ำทางเจ้าบ่าวเจ้าสาวนั้นก็รู้จักกันดีอีกประการหนึ่งการไปในครั้งนี้มิได้ตรงไปบ้านงานแต่งงานเลยจะไปพักที่บ้านเพื่อนบ้านหนึ่งที่ใกล้กันกับบ้านนั้นถ้าผมไม่ยินดีไปในงานแต่งงานก็พักอยู่ที่บ้านเพื่อนก่อนก็ได้ตอนนี้ผมเป็นคนที่อยากจะเที่ยวไปที่ต่างๆเพื่อผ่อนคลายหัวใจก็เลยตกลงไปกับนายมั่นซะเลย ผมลาคุณนพแล้วออกเดินทางไปกับนายมั่นโดยนั่งเรือเมไปถึงบ้านนครหลวงเป็นเวลาบ่ายเจ้าบ้านที่เราไปพักที่นั่นอายุอยู่ในราวไล่เลี่ยกันกับนายมัน่นแกเป็นคนมีอัธยาศัยดีเป็นเลิศชื่อในชุ่มเป็นเพื่อนของนายมัน่นภรรยาชื่อแม่นิ่มมีบุตรหญิงแล้วก็บุตรชายถึงสองคนด้วยกันอายุราว 11-12 ปีครอบครัวนี้ให้ความสนิทกับผมเป็นอย่างดี บ้านที่จะแต่งงานนั้นอยู่ติดกันชั่วรั้วกั้นเท่านั้นเองวันรุ่งขึ้นถึงจะมีงานรดน้ำสังวันที่เราไปถึงก็เป็นวันศุกร์วันดิบมีคนเอะอะกันอยู่หลายคนในชุ่มเจ้าบ้านบอกว่าวันนี้เราสุกดิบกันที่บ้านดีกว่าพรุ่งนี้ค่อยไปเฮ า, าบ้านโน้นในชุ่มจัดแจงหาปลาช่อนมาทำแปะสะแกล้มเหล้าเราลงอาบน้ากันในลาน้า ในชุ่มกับในมัน่นดำหาหอยทรายเพื่อมาเป็นกลับแก้มเล่าด้วยผมก็ชักสนุกก็เลยดำน้ำกับเขาบ้างที่ก้นแม่น้ำเป็นทรายปนโคลนจึงมีหอยทรายชุมหอยทรายนั้นรูปร่างมันก็คือหอยขมเราดีๆนี่เองผิดแต่ว่าผิวของมันสดใสกว่านิดหน่อยไม่ดำเหมือนหอยขมเราก็ดำลงไปในคราวหนึ่งก็ควานหาขึ้นมาได้คราวละ 3- สี่ตัวเอาใส่ข้องที่ลอยน้าไว้กับลูกบวบ กว่าจะขึ้นจากน้ำเราก็ได้หอยมาตั้งครึ่งถังใหญ่พิธีการของในชุ่มที่ทำกับหอยก็คือเอาหอยแช่น้ำในอ่างแต่ว่าตำน้ำพริกขี้หนูเนี่ยใส่ลงไปจนน้ำนั้นมีรสเผ็ดหอยมันก็พากันอ้าปากคายเอาสายออกมาจากปากจนหมดสิน้นและเมื่อจัดการต้มสุกดีแล้วก็เอาหอยเสร็จตะแกรงผึ่งไว้รีบตำน้าจิ้มทันทีอย่างง่าย คือเอาพริกขี้หนูแห้งขั้วไฟแล้วก็ตําละเอียดละลายด้วยน้ําปลาแล้วก็บีบมะนาวใส่แล้วก็มียอดถั่วฝักยาวต้มสุกไว้กินแกล้มกับหอยวิธีกินหอยทรายนั้นไม่ต้องต่อยก้นแล้วก็จุ๊บอย่างหอยขมเราใช้หนามไผ่มาแคะออกจิ้มน้าจิ้มใส่ปากแล้วก็เอายอดถั่วที่ต้มนั้นจิ้มน้ำจิ้มใส่ปากตามไปด้วยรสชาติของหอยทรายแล้วก็น้าจิ้มสูตรของในชุ่มเนี่ยมันช่างอร่อยถึงใจซะจริง ผมดื่มเหล้าไปจิ้มหอยใส่ปากไปก็รู้สึกว่าลืมทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้จนหมดสิน้นเล่าเถื่อนแถวนั้นเขาต้มเพียง28ดีกรีไม่รุนแรงนะักแต่ว่ากลิ่นมันนะสิหอมเหมือนน้ำตาลทรายที่อัดอยู่ในขวดโหลแก้วยกถ้วยขึ้นจรวดริมฝีปากกลิ่นมันคล้ายกับน้ำหวานไม่น่าจะมีฤทธิ์แต่พอตกเข้าปากแล้วก็ลาคอถึงได้รู้ว่ามันลึกล้านัก เราดื่มแล้วก็กินหอยต้มน้ำจิ้มรสเผ็ดกันอีกครู่ใหญ่แปะสะก็เสร็จเรียบร้อยออกมาจากครัวเรากินกันอย่างไม่ต้องห่วงปลาที่นั่นมีมากมายสามคนกินกันไปคุยกันไปในช่วพูดคุยถึงชายคนหนึ่งที่น่าสงสารโดยผู้ชายคนนั้นอายุยังน้อยเป็นเด็กที่นาเอมนาสายพ่อแม่ของเจ้าสาวที่จะแต่งงานกันในวันพรุ่งนี้เลี้ยงไว้ ผมดื่มไปก็ฟังในชุ่มเล่าถึงเด็กหนุ่มคนนั้นไปตอนแรกก็ไม่ได้สนใจเท่าไหรนะ่นักเพราะไม่รู้ว่าเป็นเรื่องอะไรเกี่ยวกับเราแต่พอฟังไปฟังมาเกิดสะอึกใจขึ้นก็รู้สึกว่าน่าสนใจฟังฉันสงสารมันจริงๆเลยกินข้าวกินปลาก็ไม่ลงนอนไม่ค่อยจะหลับตั้งเดือนกว่านะ่ในชุ่มพูดทาไมเหรอในมั่นถามมันตายเพราะว่ามันรักในชุ่มตอบแล้วก็ยกถ้วยเหล้าเทเขาคอดังกรวบ ไอ้บุญน่ยมันแอบรักกับอีเดือนเจ้าสาวพรุ่งนี้นั่นแหละในชุ่มพูดต่ออา้าวนายมั่นอุทานนั่นสิวะมั่นเอ้ยเรื่องราวมันก็ยุ่งวุ่นวายในชุ่มพูดแล้วก็สั่นหัวก็ไอ้บุญเนี่ยมันเป็นเด็กที่นาเอมนะสายเลี้ยงมันมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยอยู่ในบ้านแล้วเขาก็จะปล่อยให้เหตุดังนั้นมันเกิดขึ้นในบ้านได้อย่างไรกันเล่าคนเขาก็จะนินทากันตายหาหาว่าเป็นผู้ปกครองที่ดูอะไรในบ้านไม่ทั่วถึง ไอ้บุญนะ่ะมันก็เป็นลูกของลูกจ้างแล้วก็ตายไปแล้วตั้งแต่ไอ้บุญยังเด็กเขาก็เลี้ยงมันมาจนมันโตเป็นหนุ่มแล้วมาเกิดเรื่องอย่างนั้นขึ้นนะนะเอาแล้วฝ่ายผู้หญิงเนี่ยเขารักกับไอ้เจ้าบุญเนี่ยด้วยหรือเปล่าครับผมถามก็เป็นด้วยสิคุณสมัยเรื่องอย่างนี้เนี่ยผู้หญิงไม่ทอดสะพานให้ผู้ชายมันจะเดินได้ยังไงล่ะมันก็เด็กในบ้านไม่ผิดอะไรกับข้าทาสบริวารมันจะกล้าริรักขึ้นมาก่อนได้อย่างไรเล่า ในมันครางในลําคอนเอมนสายน่ะจับได้ความก็เลยแตกนเอมแกก็ทําอย่างนักเลงดีเหมือนกันแกให้เจ้าบุญเนี่ยเลือกทางเดินเอาเองถ้าเจ้าบุญเลิกความประพฤตินั้นก็คงอยู่ในบ้านแกได้อีกต่อไปถ้าเลิกไม่ได้แกก็จะส่งให้ไอ้เจ้าบุญเนี่ยไปอยู่กับพี่ชายของแกที่บางปะอินไอ้บุญกลับขอร้องนะบอกว่าจะขออยู่ที่บ้านหลังนี้อีกต่อไปแล้วก็รับรองกับนเอมบอกว่าจะเลิกประพฤติตนแบบนี้อย่างเด็ดขาด นายเอมก็ยอมตกลงแต่เอาสิพ่อคุณเอ้ยอยู่มาสองสาวันไอ้บุญหายหน้าไปจากบ้านทั้งคืนจนรุ่งขึ้นตอนบ่ายนี่แหละมีพวกที่ทุ่งนานเนี่ยเข้ามาเ อ, อะอะบอกว่าพบไอ้บุญมันผูกคอตายอยู่ในดงไม้ที่ชายทุ่งโน้นโอ้โหนายมั่นร้องนี่ตั้งแต่เมื่อไหร่กันเนี่ยสองสเดือนมาแล้วในชุ่มตอบแหมเรื่องมันไปถึงขนาดนั้นเลยเหรอครับผมพูดความรักมันแรงนะคุณ มันก็ยอมตายดีกว่าอยู่อะเนะาะเด็กที่เคยเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยนเอมเนี่ยคอตกเลยในชุ่มว่าเขายอมตายแต่ว่าไม่ยอมถอนความรักมันเป็นรักตัวอย่างเลยนะครับผมออกความเห็นแล้วทางผู้หญิงเขาว่ายังไงกันบ้างละ่ะในมั่นถามก็ร้องไห้แล้วก็ล้มเจ็บในชุ่มพูดแล้วก็มองไปทางบ้านนั้นหมอบอกว่าโรคหวัวใจเนี่ยจัดว่าเขายังชั่วแล้วนะ นเอมก็เลยรีบแต่งซะแล้วแต่งกับใครล่ะนายมั่นถามเจ้าบ่าวนะเป็นลูกกำนันเขามั่นกันอยู่นานแล้วไอ้บุญเนี่ยมันจะมาทำเสียการเสียงานก่อนตอนแรกเนี่ยก็ยังผัดวันผัดเดือนกันมาก็เพราะว่าอีเดือนมันไม่ได้รักลูกของกำนันกำนันที่เข้ามาสู่ขอเนี่ยเมื่อพ่อยกให้มันก็จำใจแต่ว่ามันก็ขอผัดมาเรื่อยๆนะแหมถ้านเอมไม่รีบจัดการหรือว่าไม่รีบจับได้ซะก่อนนะ ขายหน้าขายตาเขาทั้งบางเลยแบบเนี้ยยังไงยังไงซะมันก็ต้องพากันหนีงามหน้านะเอมเลยแหละเนี่ยอีเดือนก็ยังไม่ยอมหรอกแต่ว่านะเอมแกรีบทำซะให้หมดห่วงแล้วนี่นะเอมเผาศพในบุญหรือเปล่าล่ะครับผมถามเอา้าก็ต้องเผาสิเลี้ยงมาแต่เล็กแต่จะทำศพตัดหน้างานมงคลได้อย่างไรก็ต้องแต่งงานกันก่อนในชุ่มว่าเราทุกคนต่างหยุดพูดกันชั่วคราวดื่มเหล้าบ้างกินปลาแปะสะบ้าง หอยบ้างตามความสมัครใจผมดื่มไปก็นึกถึงเรื่องนี้ไปว่าจะมาสนุกกลับพบเรื่องเศร้าเหตุดังนี้ถ้าจะบุญไม่ชิงตายซะก่อนเขาเกิดต้องตกแต่งกันเช่นนี้มันจะทำอย่างไรหัวใจคงจะปวดร้าวมากแค่ไหนไม่มีใครรู้น้ำสังที่หยดหลังลงนั้นแทนที่จะเป็นแม่เดือนกับมันกลับกลายเป็นแม่เดือนกับลูกของกำ น, นันนี่ถ้าพูดถึงใจผมนะครับผมก็อยู่ไม่ได้หรอกต้องหนีไปตายเอาดาบหน้า แต่คนอย่างเจ้าบุญน่ะไม่มีทางจะไปมันก็เลือกเอาข้างฆ่าตัวตายนึกไปก็น่าสงสารมันนะครับผมพูดเลยลอยนั่นนะสิครับคุณสมัยในชุ่มพูดหลังจากเหลียวมองดูหน้าผมแล้วจริงๆคุณสมัยผมนอนไม่หลับอยู่หลายคืนเลยนะหูมันชักจะแว่วว่าไอ้บุญมาเรียกฮะในมั่นขัดคอมันจะมาหาแกทาไมวะทาไมมันไม่ไปหาแม่เดือนของมันจะไม่ดีกว่าเหรอไม่ใช่อย่างนั้นหรอก แทบทุกคืนเมื่อมันยังไม่ตายหลังจากเกิดเรื่องเนี่ยมันก็มาหาฉันเสมอมานั่งปรับทุกข์มาขอความเห็นต่างๆนานาเกี่ยวกับหัวใจของมันที่ต้องทนทุกข์ทรมานในการพยายามตัดรักใจมันอย่างไรมันก็พูดกับฉันมาจนหมดในชุ่มว่าเขามาเพื่อระบายนะครับถ้าเก็บไว้อกคงจะแตกตายผมว่ามันพูดแต่ละคำเนี่ยน่าสงสารมากเลยครับคุณสมัยในชุ่มพูด ตอนแรกที่ผมดูเรื่องนี้เข้า่นะผมก็ชักจะเกลียดขี้หน้ามันแบบกินบนเรือนถ่ายบนหลังคาเลี้ยงไม่เชื่องแต่ครั้นมาตรองดูหลายตลบก็ชักจะเห็นว่าน้ําตาลมันใกล้มดและน้ําตาลเนี่ยก็ยังเรียราดให้กับมันซะอีกมดมันจะอดใจได้ยังไงแต่ไอ้นี่เนี่ยมันดื้อพอใช้นะครับนเอมจะส่งมันไปอยู่บางปะอินมันก็ไม่ยอมไปยืนยันจะเลิกเกี่ยวข้องกับอีเดือนอย่างเด็ดขาดแต่ขอให้อยู่ในชายคานี้ ลงท้ายก็จริงของมันมันเลิกได้อย่างเด็ดขาดเลยแต่ว่าผมนี่เกลียดคนฆ่าตัวตายนะมันแสดงถึงความพ่ายแพ้ไม่ใช่ผู้ชนะผมว่าอ้าวก็ถ้าคนมันเหมือนกันหมดมันก็ไม่ใช่เด็กเลี้ยงควายนะสิคุณมันคิดอะไรไม่ออกมันก็เอาทางตายเป็นทางออกมันก็ไอความโง่คนฉลาดจะไม่ปล่อยใจให้รักหญิงที่เท่ากับนายของมันมันจะเป็นไปได้อย่างไรในตอนท้ายแต่ว่านั่นแหละนะคุณสมัยนะ เรื่องรักเนี่ยถ้าใครโดนเข้าก็ตาบอดแล้วก็ชักจะไม่รู้ที่ต่ําที่สูงเอาซะเลยในมั่นว่าอืมใช่ใช่ใ ช, ใช่ในชุ่มครางฉันคิดข้อนี้ก็เลยให้อภัยมันไปแม้แต่นะ้าเอมเองก็ดูว่าจะอภัยมันไม่ด่าไม่ว่าอะไรมันอีกเลยด่าอะไรกันละพ่อเอ้ยมันตายไปแล้วในมั่นขัดขึ้นปะโตคนเรานะถ้ายังเจ็บยังแค้นอยู่แล้วก็ด่าได้3เดือน8เดือนไม่ยอมจบในชุ่มพูดแล้วก็หัวเราะ คู่ใหม่เนี่ยคุณเดือนแกรักของแกบ้างหรือเปล่าครับผมถามเอาใจที่ไหนมารักล่ะคุณ ท, ทั้งทั้งที่อยู่ในระหว่างมัน่นแม่ยังมารักกับไอ้บุญยิ่งไอ้บุญมาตายลงแม่ก็โศกเศร้าล้มเจ็บเนี่ยเพิ่งคอยยังชั่วจะรักได้ยังไงมันเรื่องของผู้ใหญ่เรา3าคนต่างวิพากวิจาร์เรื่องหนุ่มสาวผู้มีกรรมนี้เป็นการย่อยอาหารย่อยเหล้ากันไปเรื่อย แต่สําหรับผมนั้นแม้จะร่วมวงวิพากษ์วิจารณ์อยู่ด้วยแต่ใจผมไม่เห็นด้วยในความรักของคู่นี้เพราะว่ามันเป็นความรักของเด็กรุ่นหนุ่มสาวจะเอาสาระนั้นเป็นไปไม่ได้มันเป็นเพียงว่าเกิดมาเป็นคนใครๆเขาก็รักก็มีลูกมีเมียกันทั้งนั้นเราเป็นหนุ่มสาวก็รักกับเขาบ้างรักตามอย่างกันไปจะหาเหตุผลอะไรที่ไหนรักกันไปอย่างงงโง่จริงอยู่ผมเองก็ยังหนุ่ม แต่ก็ไม่เห็นด้วยแล้วก็ไม่เชียร์ด้วยมันเป็นความรักเด็กๆที่ต่างปล่อยใจตามสบายไม่คิดว่าจะเป็นไปได้หรือไม่ได้และเมื่อเป็นไปแล้วจะงดงามหรือไม่เปล่าไม่ได้คิดเลยครอบครัวใดเล่าเขาจะทำให้เป็นอย่างสัตว์เดรัจฉานเกิดอยู่ในเล้าเดียวกันก็สมจรกันไปออกลูกออกเต้ากันเต็มเล้าไปหมดครอบครัวเช่นนี้เพื่อนบ้านที่ไหนละ่ะจะเกิดเคารพนับถือเป็นบรรทัดฐานได้ ไอ้บุญมันพูดอะไรๆกับฉันหลายครั้งเลยนะรู้สึกว่าจะมีลางตายอยู่บ่อยๆในชุ่มงัดเอาเรื่องเจ้าบุญนี้ขึ้นมามันมีอยู่วันหนึ่งมันเล่าให้ฉันฟังว่ามันนั่งอยู่นอกชาญบ้านน่าเอมกําลังดูต้นไม้ก็พอดีว่ามีแมวตัวหนึ่งเนี่ยเดินมาอยู่ที่กันศาสตร์ข้างบนนเอมแกก็เงยหน้าขึ้นไปดูเจ้ากำแท้ๆเจ้าแมวนั้นก็โกงตัวจะถ่ายบนหลังคา น้เอมก็เลยตะเพิดวิ่งหนีไปเลยเมื่อแมวมันไปแล้วน้เอมก็เลยหันหน้ามามองหน้ามันคล้ายจะถามมันว่าการกระทำของมันที่แล้วมานั้นเนี่ยเป็นเช่นแมวนั้นหรือไม่น้เอมเพียงแค่มองหน้ามันเท่านั้นไม่ได้พูดอะไรแล้วก็เดินจากไปมันบอกว่ามันเสียใจแล้วก็อายเหลือเกินแม้จะไม่พูดอะไรแต่ว่ากิริยาของนเอมนะเหมือนกับเชือดคอมันเลยละมันนี่เล่าไปร้องไห้ไป พร้อมกับสาบทสาบานเลยล่ะบอกว่ามันจะไม่ยอมให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอีกเด็ดขาดถ้ามีความประพฤติอย่างแมวนั้นก็ไม่คู่ควรจะอยู่ร่วมกับมนุษย์มันพูดแบบนี้ฉันก็นึกไม่ถึงเลยนะว่ามันจะฆ่าตัวตายมันเป็นไปอย่างคนขี้แพ้ในชุ่มพูดช้าๆเนิบๆอย่างเศร้าใจมันทําของมันก็น่าชมเชยดีนะแต่แทนที่จะสงบหรือว่าลงเอออย่างเงียบๆนี่กลับกลายเป็นว่าสร้างความสะเทือนใจให้กับคนทุกคนไป แม้แต่ผู้หญิงที่มันรักเองในมั่นว่าในขณะที่เราพูดคุยกันอยู่นั้นแม่นิ่มภรรยาในชุม่มก็ยกสำรับกับข้าวออกมาเราจึงลงมือกินกันอาหารบ้านานานั้นถ้าจะทิ้งน้ำพริกซะก็ดูจะไม่เป็นอาหารบ้านานานมีต้มยำปลาช่อนที่ต้มแบบโฮกอือหอมเผากระเทียมเผาพริกชี้ฟ้าแห้งใส่ลงไปในแกงแล้วก็โรยด้วยใบกะเพราส่วนตะไคร้ใบมะกรูดนั้นก็ใส่อยู่ธรรมดา ความเปรี้ยวของมะนาวนั้นทางบ้านนาเขาไม่ใช้เขาเอาส้มมะขามเปียกแทนสดแล้วโล่งคอดีจริงๆหอมกลิ่นทุกอย่างที่ผสมลงไปส่วนน้ำพริกนั้นตำอย่างเลวเวลาคลุกข้าวเอาปลากรอบย่างไฟป่นละเอียดโดยคลุกลงไปด้วยใช้ลูกแตงโมอ่อนลูกเล็กๆต้มสุกเป็นผักแกล้มมันช่างอร่อยถึงใจนักมันเป็นรสชาติที่มีศิลปะไปอีกทางหนึ่งต่างกับแปะซะหรือว่าหอยทรายที่กินกันอยู่ตอนบ่ายนั้น ซึ่งมันก็เป็นแค่เพียงอาหารแกล้มเหล้าไม่ใช่อาหารกินกับข้าวสุกผมจ้ำอาหารเย็นมากกว่าที่เคยเป็นมาแถมด้วยของหวานตามพื้นที่นั่นก็คือฟักทองแกงบวชพออิ่มดีและก็ดริดเหล้าทำให้สบายก็เลยเคล้งอยู่แถวนั้นลมทุ่งพัดเย็นสบายหลับบ้างตื่นบ้างตามกาลเทศะจะตื่นตอนสุนขข่าวดังแล้วก็หนักๆแล้วก็หอนกันเกลียวกาวผมก็มีใจหนาวๆตามกาลเทศะ นึกไปว่าสุนัขที่หอนเยือกเย็นนั้นเจ้าบุญอาจจะมาด้วยจิตที่วิงวอนหวงหึงแม่เดือนของมันเพราะว่าพรุ่งนี้แล้วหยิงที่มันรักจะเป็นของคนอื่นผมนึกๆึกไปก็ทเอาต้องเหลียวไปดูทางนอกเฉลียงแต่มันก็ไม่มีอะไรนอกจากความมืดในมั่นนอนติดอยู่กับผมพออุ่นใจขึ้นพอสุนัขเงียบหยุดหอนเจ้านกกูกบนต้นไม้ใหญ่ๆแถวนั้นก็ร้องกุก๊กกุ๊กขึ้นเสียงของมันช่างวังเวงเยือกเย็น ทางบ้านงานยังคงมีเสียงคนอยู่บ้างเพราะว่าเตรียมการทำอาหารไว้รับรองเจ้าบ่าวแล้วก็จะมาตักบาตรกันตอนเช้าและจะเลี้ยงพระตามระเบียบผมหลับไปอีกทั้งๆ ท, ท, ที่ใจยังวันๆแต่ว่าด้วยฤทธิ์ของเล่าเถือนทำให้หลับสบายไปจนถึงเช้าตรู่และพวกเราก็ต้องรีบตื่นแล้วก็ลงไปอาบน้ำที่ท่าน้ำเตรียมตัวจะไปในพิธีตักบาตรกับเขาด้วย ผมแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่าใจยังรวนเรอ ย, อยู่ไม่กล้าจะไปเกรงจะวางหน้าเหลือเหลอหลาๆเพราะว่าไม่รู้จักใครแต่ว่าในชุ่มบอกว่าอย่ากลัวเลยมันเป็นตอนตักบาตรเกี่ยวกับการกุศลทางบ้านนอกเนี่ยเขาชอบแขกมากๆยิ่งแขกมาจากกรุงเทพเนี่ยเขายิ่งดีใจว่าให้เกียรติแก่เขาและก็เป็นข้อใหญ่ที่เป็นเอกของนายชุ่มซึ่งจัดว่าเป็นญาติกันกันกบบ้านงาน ผมก็เลยหมุนซัดเหล้าย้อมใจให้หน้าด้านไปอีกสองฉากแกล้มด้วยมายมเมื่อถึงบ้านงานในช่วงได้แนะนำผมกับน้าเอมนาสายให้รู้จักกันเจ้าบ้านทั้งสองเป็นคนใจดีมากรับรองผมแบบเป็นกันเองส่วนในมัานนั้นเขารู้จักกันอยู่บ้างแล้วนเอมใจแกชอบสนุกแล้วก็เป็นนักเลงยกเหล้ามาเลี้ยงกันครู่เดียวเท่านั้นยังกับคุ้นเคยกันมาเป็นนานปี พออีกสักครู่หนึ่งเท่านั้นเสียงดนตรีกระจับปี๋สีซอดังมาทางน้ำด้านเหนือ น, น่นแสดงว่าเป็นสัญญาณว่าขาบวนเจ้าบ่าวเนี่ยมาแล้วทางบ้านก็กระดานำคล้องชัยขึ้นกระด่มตอนตักบาทผมได้มีโอกาสดูเจ้าสาวผู้ที่เป็นต้นเหตุในการตายของนายบุญได้อย่างถนัดเธอมีหน้าตาสวยอย่างเงียบๆสมกับท้องที่แต่ก้มหน้าก้มตาเสมอไม่ค่อยสู้ตากับใคร เจ้าบ่าวพยายามเอาเปรียบในพิธีตักบาตรคงจะได้รับคาสอนไว้ว่าจะต้องจับทับพีโดยให้มือของตัวเองทับมือเจ้าสาวซึ่งเป็นพิธีข่มนามกันเขาจะมีอำนาจเหนือเจ้าสาวเสมอถ้าหากเผลอตัวถูกเจ้าสาวจับทับมือตัวเองก็จะแพ้อาถันกันไปผมมองแล้วก็ถอนใจปลงอนิจจังเจ้าบ่าวนะรู้หรือเปล่าว่าการได้เปรียบในพิธีนั้นเนี่ยมันก็เป็นจริง แต่ว่าใจผู้หญิงคนนี้เนี่ยมันเป็นของคนอื่นอยู่แล้วแม้จะตายไปแล้วใจของเธอก็ยังคงฝังอยู่อาถรรพ์ที่ทำกันนั้นเนี่ยมันจะมีประโยชน์อะไรทำไมนาะพิธีอย่างนี้ผู้ที่จะต้องเป็นผัวเมียกันในไม่กี่ชั่วโมงนี้จึงไม่หาพิธีชนิดที่ปลองดองกันโดยรักกันจนตายไม่เสื่อมคลายแต่กลับมาต่างคนต่างหาทางขมต่างหาทางเอาเปรียบซึ่งกันและกันให้เกิดเป็นนิสัยเห็นแก่ตัวกันไป เจ้าสาวนั้นหน้าตาไม่ยิ้มแย้มเลยจะว่าเกิดความอายก็คงไม่ใช่ดูว่าจะเป็นไปโดยพึ่งฟื้นไข้จะมากกว่าเมื่อตักบาตรเสร็จแล้วพระก็ฉันอาหารทีนี้ก็มาถึงฝ่ายแขกทั้งสองฝ่ายจะรับประทานอาหารร่วมกันผมก็จับตาสังเกตดูเจ้าบ่าวทุกอิริยาบถหน้าตาเรีย บ, ยบแต่ว่าผิวดำตามธรรมชาติของผู้ที่กรำแดดเขาจัดกิริยาให้เรียบร้อยจนกลายเป็นหยิมมักก้มหน้าไม่ค่อยทาตัวกล้าสังคม ยิ้ม น, น้อยๆเก้เกอๆอๆผู้ใหญ่คงเสียมสอนไว้แบบนี้จะพูดอะไรสักคำสองคำก็ต้องยกผ้าเช็ดหน้าบังปากเพื่อให้สุภาพก็เลยกลายเป็นทุเรศสำหรับความเห็นของผมนะครับจะเป็นหัวหน้าครอบครัวอยู่สองสามวันนี้แล้วแต่ไม่มีท่าทางสมาร์ทให้สมกับเป็นหัวหน้าครอบครัวเลยเวลาตักข้าวเข้าปากจะพยายามให้น้อยจนเกินควรแลดูน่าสงสารเครื่องสายไทยของชาวอายุธยา ถูกบรรเลงกันไปแบบเรียบๆผมเองก็เป็นนักดนตรีแต่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องทั้งไม่รู้จักกับเขาจึงไม่เข้าไปยุ่มย่ามด้วยก็นั่งรับประทานอาหารไปแล้วก็จับตาดูเจ้าบ่าวแล้วก็เพื่อนเจ้าบ่าวที่มีอะไรแปลกแปลกแหวกแนวก็ดูคลื้อครื้นดีแต่ว่าประเพณีเก่าเจ้าสาวจะไม่ออกมาให้เห็นตัวจนกว่าจะถึงตอนรถน้ำสังผมก็เลยไม่ได้เห็นอิริยาบทของเจ้าสาวว่าเป็นอย่างไร เมื่อทุกฝ่ายอิ่มอาหารแล้วก็นั่งพูดนั่งคุยกันเล็กน้อยฝ่ายเจ้าบ่าวจะกลับมาร่ำลาก่อนพวกดนตรีก็ต้องกลับไปด้วยเพื่อที่จะแห่กองขันหมากมาอีกตอนสายจนเกือบจะเที่ยงเมื่อถึงตอนมอบเงินมอบทองกันเรียกว่าตอนนี้เนี่ยเป็นตอนเคล้าเงินเคล้าทองกันทั้งสองฝ่ายรวมกันตอนนั้นเนี่ยดนตรีก็จะทําเพลงอีกพักหนึ่งจนกว่าจะเสร็จพิธีครั้นเสร็จพิธีก็จะมีการเลี้ยงอาหารกันอีกแล้วแลดูทุกคนท่าทางเบื่อหน่าย เพราะแทบทุกคนก็คงจะยังไม่หิวเลยแต่ก็จําเป็นต้องรับประทานอาหารกันตามระเบียบที่เขารับรองแม่ครัวแล้วก็คนยกอาหารจะหนักแรงกันนักสับสนยิ่งนักเมื่อต้องเลี้ยงติดติดกันเช่นนี้การล้างถ้วยล้างชามเพิ่งจะเสร็จเมื่ออาหารเช้าอยู่หยกๆกกลางวันเอาอีกแล้วคลันเมื่อเลี้ยงกลางวันเสร็จก็ต้องล้างชามกันอีกรีบเช็ดรีบจัดถ้วยชามตั้งเตรียมเลี้ยงเย็นกันต่อคนที่น่ารําคาญที่สุดก็คือคนที่รับประทาน หิวไม่หิวก็ต้องจำใจกินและที่ร้ายที่สุดก็คืออาหารทุกทุกอย่างซ้ำกันทั้งสามมื้อซึ่งก็เป็นธรรมเนียมของชนบทการรับประทานจึงเกิดเฟือไปบ้างอาหารจะเปลี่ยนไปบ้างก็เป็นบางอย่างเท่านั้นแต่ชนิดที่ต้องยืนโยงอยู่นั้นก็มีตามระเบียบของอาหารเก่าแก่ที่เรียกว่ากินเลี้ยงสี่ถ้วยซึ่งคาว่าสีถ้วยนี้จะมีมาจากอะไรก็ไม่ทราบ อาจจะมาจากอาหารที่มีครบสีอย่างก็เป็นได้เช่นสําหรับหนึ่งหรือว่าภาคหนึ่งจะมีแกงเผ็ดหนึ่งแกงจืดหนึ่งน้ำพริกผักจิ้มหนึ่งแล้วก็พวกอาหารยําอีกหนึ่งก็เป็นครบสีถ้วยพอดีแต่ว่าความจริงก็มากกว่านั้นเช่นจะมีหมี่กรอบแล้วก็มีม้าห้อก็คือสับประรดฝานแผ่นไม่หนาไม่บางขนาดพอดีคํามีไส้หมูสับกับเครื่องวางบนแผ่นสับประรดหรือไม่ก็ขนมจีนน้ายาหรือน้ําพริก แต่ว่าที่กล่าวมาตอนหลังเนี่ยก็ถูกเป็นอาหารแถมที่เลยสีถ้วยไปแล้วการเลี้ยงอาหารซ้ำอย่างเราหน้าเห็นใจเจ้าภาพจริงๆเพราะว่าการกินบ่อยนั้นยากแก่การเปลี่ยนอาหารได้ทันซ้ำว่าการกินของชาวชนบทนั้นไม่ใช่กินจุบกินจิบเหมือนชาวกรุงเขากินกันเอามากๆทีเดียวทางเจ้าบ้านหรือว่าเจ้าภาพเนี่ยก็เลยจาเป็นต้องทาอาหารทุกๆอย่างให้มากพอจะมานั่งเปลี่ยนอาหารไม่ไหวแน่นอน ไม่ใช่การทําอาหารอย่างละพอควรเมื่อไรละ่ะเล่นกันมาเป็นกะละมังกะละมังพวกที่เบื่ออาหารก็เนื่องจากอาหารเนี่ยมันแย่งรสกันไปเองภายในสํำรับเดียวกันนั่นแหละจะมีใครละ่ะกินแกงเผ็ดปนแกงจืดได้หรือกินน้ําพริกจิ้มกับแกงเผ็ดได้มันแย่งกันเองซะเปล่าจนเกิดการเบื่อเมื่อมองปราดไปก็จะพบแต่สิ่งที่จําเจซ้ำซากพวกขันมากกลับไปแล้วตอนนี้ต้องเตรียมคอยตอนเย็นละ เจ้าบ่าวกับวงญาติเพื่อนฝูงทั้งหมดจะพร้อมกันในตอนเย็นเป็นการเลี้ยงใหญ่ทีเดียวเมื่อหลังที่รดน้ำพระพุทธมนต์แล้วผมกับในชุม่มในมั่นกลับบ้านกันก่อนมาพักผ่อนแล้วก็จะได้อาบน้ำแต่งตัวใหม่เอาไว้สู้กับเขาอีกทางบ้านเราก็มีสำรับอาหารข้าวหวานทางบ้านส่งมาไว้ เป็นความรอบครอบของเขาที่ดีมากๆเพราะว่าทุกบ้านใกล้มัวแต่ไปช่วยงานกันหมดย่อมไม่มีเวลาที่จะทำอาหารเป็นของตนเองทางเจ้าภาพก็เลยจัดมาให้เพื่อที่จะได้หมดห่วงผมเหลือบมองของหวานในถาดซึ่งเคยได้ผ่านมาแล้วสองมือ้อซึ่งก็ให้อภัยในเรื่องของหวานจะซ้ำอย่างไรก็ไม่น่าเบือ่อเพราะว่ามันไม่ใช่อาหารหลักมันเป็นเพียงกินพอล้างปากล้างท้องเล็กน้อยเท่านั้นเองเช่นทองหยิบทองหยอดฝอยทองสังขยา ขนมหมอ้อแกงวุ้นหวานลูกตาลเชื่อมของพวกนี้ถ้ามีออกไปอีกก็คือขนุนเป็นยุงยวงวุ้นน้ําเชื่อมหน้ามะม่วงก็จะมีข้าวเหนียวมะม่วงเป็นอันว่าของหวานจัดว่าดีแล้วเขาแต่งตัวคอยอยู่ที่บ้านถ้าได้ยินเสียงดนตรีแห่แหนกันมาเราก็ไปทันเพราะว่าอยู่ใกล้แค่นี้ เราดื่มเหล้ารองท้องกันไปก่อนเพราะว่าจะได้ไม่ต้องไปรบกวนบ้านงานก็ใช่ที่เขาจะเปิดเลี้ยงเล่าต่อก็ต่อเมื่อรถน้ำสั่งกันเสร็จเรียบร้อยถ้าขืนปล่อยเลี้ยงรายทางไปงานคงเสียแน่นอนเพราะว่าการเลี้ยงใหญ่จะอยู่อีกข้างหน้าอย่างยืดยาวในชุ่มผู้ที่เป็นนักดื่มขนาดหนักเราสองคนเพียงตมตามไปจุกจิบจุกจิ บ, จ บ, จบ เราไปนั่งคุยกันที่บ้านงานชั่วคราวก็ได้ยินเสียงดนตรีแห่เจ้าบ่าวดังมาแล้วคนในบ้านวิ่งกันวุ่นทั้งหญิงชายที่เป็นญาติเจ้าสาวจะเข้าประจำสองทางเดินที่จะเป็นการขึ้นตัวเรือนเพื่อทำการกั้นประตูให้เกิดความคลึกครืน้นประตูเงินก็จะเอาเข็มขัดเงินไปกัน้นประตูทองก็จะเอาสร้อยทองหรือเข็มขัดทองหรือนาคไปกัน้นซึ่งเป็นธรรมเนียมมาตั้งแต่เก่าก่อน ถ้ายิ่งย้อนหลังไปสมัยโบราณจะยิ่งกว่านี้คนที่มากั้นประตูจะต้องมีความรู้ในปัญหาโต้อตอบเรื่องประตูเพราะว่าฝ่ายเจ้าบ่าวเขาก็เชิญเท่าแก่ที่มีความรู้นี้มาด้วยจะมีการโต้อตอบกันยังสนุกสนานถ้าตอบถูกก็ได้รับเงินค่าประตูแต่ว่าสมัยหลังลงมาก็เอากันเพียงถ้าเท่าแก่ฝ่ายเจ้าบ่าวจ่ายเงินให้สมแก่ราคาก็ปล่อยตัวให้ผ่านไป คนที่มาคอยดูเจ้าบ่าวแล้วก็พวกเจ้าบ่าวสองข้างทางนั้นก็จะกระสิบกระซาบติบ้างชมบ้างตามความพอใจของตัวเองว่าเจ้าบ่าวแต่งตัวสวยบ้างไม่สวยบ้างละพูดกันไปตามความเห็นแห่งตนเจ้าบ่าวที่เดินกันตามเท่าแก่มาก็จะมีใจเหนิมเหนียมกม้มกมเงยเงยไม่สู้ตาใครก็ลำบากแล้วก็น่าเห็นใจ จะทำหน้าระเหยหรือทะเลนก็ไม่ได้จะทำครื้มก็จะดูดัดนเหี่ยมเกรียมเจ้าบ่าววางหน้าเนี่ยยากจริงๆตอนนี้ถ้าผมไปถูกเดินอย่างนั้นบ้างก็คงจะแย่เหมือนกันนะครับไม่รู้ว่าจะทำหน้าอย่างไรเมื่อขึ้นบนบ้านแล้วก็จะนั่งพักคุยกันสักครู่หนึ่งแล้วเขาก็จะจัดเอาเจ้าบ่าวแล้วก็เจ้าสาวขึ้นนั่งเตียงก็จะทำการก้มหมอบพนมมือที่หมอน ผู้ใหญ่ที่นับถือจะเป็นผู้ที่สวมมงคลแล้วก็เจิมหน้าผากส่วนพระสงฆ์ท่านก็เตรียมจะสวดชยันโตเมื่อน้ําสังหยดลงเป็นหยดแรกการหยดน้ําสังของบรรณอเขาไม่รถที่มืออย่างชาวกรุงที่ผู้ใหญ่ที่รดลงเนี่ยคือเขาจะรดลงที่หัวเลยบางรายผมเห็นรดกันเหมือนรดน้ําสงกรานจนต้องมีผ้าไปเปลี่ยนที่บ้านเจ้าสาว ก็เลยมีธรรมเนียมที่ว่าจะต้องขอดเงินไว้กับพระถุงด้วยเพื่อเป็นการจ้างหรือรางวัลแก่คนที่จะนำผ้าที่ผลัดไปซักให้ในตอนนั้นพระสงฆ์ได้ขึ้นบทชยันโตพวกดนตรีก็ขึ้นบรรเลงเพลงมหาฤกิกมหาชายัยนางนาคประสานเสียงพระขึ้นไปข้องชัยก็ตีกันเสียงดังกังวานไปไกลแสนไกล คนที่มาในงานไม่ว่าจะเป็นแขกเรือหรือว่าญาติผู้ใหญ่ก็เข้าคิวหลังน้ําสังเรียงกันไปผมกับธนะก็อยู่กลางขบวนแต่ทอดตาดูเจ้าบ่าวเจ้าสาวเจ้าสาวก้มหน้าเฉยไม่ยิ้มแย้มซะบ้างเลยดูราวกับว่าเป็นคนกโกรธกันแล้วก็ต้องมานั่งคู่กันอาจจะอายหรืออาจจะไม่ชอบใจอะไรก็เดาไม่ถูกผู้ที่รดน้ําไปแล้วก็เลยไปนั่งตามระเบียบของตัวเองส่วนผู้ที่ยังก็ยังเดินเข้ามารด กว่าจะหมดขบวนผมกับในชุ่มก็กําลังกระซิบกันว่าถ้าเจ้าสาวยิ้มสักนิดนึงหรือเงยหน้าสักหน่อยนึงเพราะว่าก้มต่ําเกินการไปทันใดนั้นก็เกิดโกลาหลขึ้นอย่างไม่คาดหมายเลยคือหมดขบวนคนรถน้ําแล้วอยู่ๆเจ้าบ่าวก็รีบลุกขึ้นเมื่อได้ถอดมงคลแล้วอันนี้ก็เป็นเรื่องเอาเปรียบตามผู้ใหญ่สอนอีกนั่นแหละใครลุกก่อนก็จะได้เปรียบมีอํานาจเหนือกว่า แต่ว่าหน้าประหลาดที่เจ้าสาวไม่ยอมลุกขึ้นยังคงนอนหมอบนิ่งอยู่เฉยเลยเพื่อนเจ้าสาวก็เลยกระซิบให้ลุกก็ไม่ลุกจึงร้อนถึงหน้าสายแล้วก็ญาติเข้ากระซิบแล้วก็สะกิดให้ลุกไปแต่งตัวใหม่คุณพระคุณเจ้าได้โปรดเถิดอะไรกันละ่ะพอหน้าสายเขย่าตัวแม่เดือนแม่เดือนก็ล้มลงนอนตะแคงขณะนั้นเองเสียงกรีดร้องของผู้หญิงหลายคนก็ดังขึ้นผมนี่ขนลุกทั้งตัวแล้วก็รีบลุกยืนขึ้น เสียงเอ็ดอึงของหญิงและของแขกได้ดังเสียงแส้จนฟังไม่ได้สับผมทะลึ่งพรวดพลาดเข้าชิดเหตุการณ์นั้นหัวใจของผมแทบขาดด้วยความตกใจเจ้าสาวเป็นผู้ไม่มีเลือดในตัวซะแล้วเนื้อตัวเขียวจวนดำนเอมแผดเสียงร้องจนหลงจับตัวลูกสาวพลิกหน้าเจ้าสาวตาหลับแต่ว่าปากแสยะยิ้มแก้มตอบและสิ่งที่เกิดการวยวายเป็นการใหญ่ณสายร้องจนเสียงไม่เป็นผู้เป็นคน กลินเม้นที่เจ้าสาวคลุ้งไปหมดมันไม่ได้เป็นเจ้าสาวที่สวยสดแต่ว่ามันเป็นเจ้าสาวที่ตายมาหลายวันแล้วคนฮือขึ้นอย่างหนักเจ้าบ่าวร้องไห้โหพูดไม่เป็นภาษานสายเป็นลมล้มฟุบลงแล้วเพื่อนเจ้าสาวก็ล้มลงอีกคนช่างโกลาหลยิ่งนักบางคนโดดหนีออกมาเพราะว่าความกลัวทั้งเหม็นเน่านั่นคือศพทุกคนม่ได้มารดน้าสังแต่เป็นการรดน้าศพผีสางตนใดทาเช่นนี้ เมื่อเข้ายังตักบาดเมื่อกี้ก็เดินเกาะเพื่อนสาวมานั่งเตียงแต่เดี๋ยวนี้เป็นศพที่เน่าเหม็นญาติแต่ละฝ่ายหัวใจแทบแตกสลายเสียงร่ำไห้และบ่นเพ้อรำพันดังกระหึม่มผมขนลุกทั้งตัวแหวกคนโดดออกนอกฌานในชุ่มหน้าซีดขาวในมั่นก็เช่นกันแต่ผมนั้นมีความรู้สึกว่าตายไปแล้วครึ่งตัวเสียงโกลาหลดังกรุงแตกนะเอมกอดศพลูกสาวร้องไห้อย่างคนบ้าคลาั่ง ทุกคนในที่นั้นต้องกลัวและต่างคิดกันไปคนละทางตัวสั่นเหมือนลูกนกนั่นคือผีที่สิงอยู่ในร่างกายเจ้าสาวเจ้าสาวตายมาแล้วอย่างน้อยก็ 3-4 วันพอมาถูกน้ำพระพุทธมนต์เข้าผีที่สิงก็กระโดดหนีร่างนั้นก็เลยกลายเป็นศพความกลัวได้เกิดขึ้นทางบ้านผมร้องออกไปเสียงไม่เป็นมนุษย์เลยใจรู้สึกว่าพูดขอร้องคณะของเราให้หนีไปบ้านแต่ในมัน่นในชุ่ม จะตั้งใจอยู่แล้วก็จูงผมลงจากเรือนไปและดูว่ายังมีอีกหลายคนที่โดดตามเราลงมาเราวิ่งกลับเข้าบ้านในชุ่มยังหมดเรี่ยวแรงคล้ายใครชุดขาไว้ข้างหลังเรามีคนวิ่งตามมาติดๆมาพร้อมกับเสียงร้องไห้ด้วยที่แท้ก็เป็นแม่นิ่มภรรยาของในชุ่มพอขึ้นบ้านในชุ่มก็ยกขวดเหล้ากรอกลงทอในมั่นก็ทาตามบ้างผมก็ต้องทาตามบ้าง แม่นิ่มก็ขอดื่มบ้างนั่งยองๆตัวสั่นเบียดกันกับในชุ่มลูกของในชุ่มสองคนนั้นไม่รู้เรื่องอะไรมองเราแล้วก็มองไปตามเสียงเอะอะของบ้านโน้นเมื่อไม่ได้เรื่องอะไรเด็กสองคนก็เข้าครัวกินข้าวในชุ่มบ่นว่าจะไม่ไปบ้านงานอีกก็น่าเกลียดแต่ผมนี่ยไม่ไหวแล้วไปอีกไม่ได้แน่นอนขออยู่เป็นเพื่อนแม่นิ่มในมั่นก็เลยขออยู่ด้วยในชุ่มมีฐานะลําบากเพราะว่าเป็นญาติ หมุนเข้าดื่มเหล้าจนหน้าเฟื่อนแล้วก็ผลุนพลันแข็งใจลงบันไดไปเพราะว่าตอนนั้นพระอาทิตย์ยังมีแสงอยู่ยังไม่รับขอบทุ่งไปทีเดียวในชุ่มไปแล้วครู่ใหญ่ๆพระอาทิตย์ก็กลับดินไปมืดสลัวเสียงร้องไห้ของคนดังมาไม่ขาดสายสุนัขนึกยังไงก็ไม่รู้หอนกันเกลียวขึ้นมาผมสั่นทั้งตัวมันหอนทาไมกันเราทั้งสามคนมองหน้ากันอย่างหน้าขาวซีดแมนิมสาคัญมากหยิบตะเกียงเตรียมไว้ใกล้ๆตัว พอแสงอาทิตย์หมดก็จุดขึ้นเลยแล้วก็ต่างคนต่างดื่มเหล้าย้อมใจกันเป็นการใหญ่เพื่อหลีกความครั่นหวนันวันหมาหอนเงียบลงไปเสียงนกแสกที่ร้องอยู่บนที่สูงก็บินหายลับไปในทุง่งเด็กสองคนกินข้าวแล้วก็มารวมกลุ่มอยู่กับเราจริงอยู่ว่าเขาไม่รู้เรื่องอะไรเพราะว่าอยู่กันคนละบ้านแต่ครั้นเห็นเรามีกิริยากลักลวๆอะไรก็เลยมานั่งเบียดอยู่ด้วยพวกคุณรับประทานกันเถอะของของเรายังมี แม่นิ่มพูดเสียงค่อยและหายสัน่นแต่เราสองคนคอมันตีบไม่รู้จะนึกถึงอาหารได้อย่างไรกันขอแต่เล่าอย่างเดียวก็พอเราผู้ใหญ่สามคนไม่ได้พูดอะไรกันเลยลมทุ่งพัดเสียงใบไม้ดังเปรี่ยวกราวผมใจหายนึกเห็นแต่ภาพไม่เดือนเจ้าสาวผีตายแก้มตอบตาที่หลับอยู่นั้นลึกเข้าไปปากแบะหน่อยๆกลิ่นเน่ายังติดจมูกแต่ไม่อยากจะพูดอะไรเพราะทุกคนก็ไม่สมัครใจจะพูดอะไรถึงบ้านนั้น หมดแสงอาทิตย์แล้วใจมันยิ่งหนาวสัน่นเอาตะเกียงบังเสาเพื่อจะดูอะไรข้างนอกได้อย่างไม่ฟางตาเด็กๆ ก, ก็เบียดเราเข้ามาเราก็เลยให้นอนอยู่ใกล้ๆเราสามคนนั่งอยู่อย่างไม่มีความหมายผมใจหวนไปถึงเจ้าสาวผีสิงว่าถ้าแกสำแดงการตายซะก่อนงานเรื่องมันก็ไม่เป็นแบบนี้เมื่อมาสำแดงเดดอย่างนี้ทุกคนก็เลยเสียขวัญหมดและสาคัญเจ้าบ่าวเสียขวัญกว่าใครๆ วันแต่งงานแต่กลายเป็นวันที่ต้องร้องไห้โฮและคงเข็ดขยาดกับการแต่งงานไปอีกนานปีเวลาได้ผ่านไปนานมากเสียงเอะอะทางบ้านงานก็ได้เบาลงคงเหลือแต่การร้องไห้บ้างอ น, นิจจาทุกคนต้องอดข้าวเย็นใครจะมีแก่ใจเลี้ยงและใครจะมีแก่ใจกินได้ลงคอดูเถิดงานที่รื่นเริงกลับกลายเป็นงานเศร้าใจโดยทันทีทันใดทางบ้านงานก็ออยังชั่วที่พ่อกำนันพ่อเจ้าเบาอยู่ด้วย และท้งลูกบ้านก็ติดตามมามากมายพอจะช่วยกันจัดการกับศพนั้นได้ถ้าเป็นศพธรรมดาก็ไม่มีใครกล้าจะจัดการกันได้ใกล้ชิดแต่เนี่ยเป็นศพเดินได้เห็นอยู่แต่เช้าจนเย็นใครบ้างที่ใจจะแข็งไม่กลัวเลยเรื่องกลัวผีกลัวสางมันก็พอประมาณแต่เหตุการณ์น่ะสิมันร้ายแรงมันคล้ายๆกับจะมีใครอีกคนที่บงการให้เหตุการณ์เป็นไปดังนั้นและทั้งสองก็ยังคงอยู่ในความละเอียดอ่อนของอากาศ ซึ่งสุดที่ใครจะเห็นได้จึงทำให้หวาดหวันไปทุกด้านของตัวเองผู้นั้นจะอยู่หน้าอยู่หลังอยู่ข้างใครจะรู้ผมคาเนว่าในชุ่มเมกกล้าจะเดินกลับมาคนเดียวแน่นอนเพราะว่าถ้านั่งอยู่บนบ้านหรือว่านั่งอยู่บนเรือนเนี่ยยังมีคนถ้าลงมาแล้วใจมันก็หวามผมนะ่ะไม่เอาเด็ดขาดใครจะคอยดักในชุ่มอยู่ข้างล่างจะไปรู้ด้วยหรือความคิดของผมนี่ผิดหมด ในครู่นั้นได้ยินเสียงในชุ่มกลับมาและมีใครมาด้วยสักสองสามคนเสียงพูดกันเข้ามาที่ลานบ้านครู่เดียวก็ขึ้นบันไดามามีชายหนึ่งคนกับหญิงสองคนตามมาด้วยได้ความว่าเป็นพวกเครื่องสายเกิดกลัวขึ้นอยู่บ้านนั้นไม่ได้ก็เลยขอมาอยู่บ้านนี้จะกลับก็กลับไม่ได้เพราะว่ามันมืดค่าแล้วผมดีใจที่ได้เพื่อนมาอยู่ด้วยกันอีกโอหัวใจของฉันเหมือนมันจะไม่เต้นแล้วอะ แม่หญิงนักร้องคนหนึ่งพูดฉันก็เหมือนกันพนกักก้อนคนเดียวทแท้ๆเลยเนี่ยชวนมาหาเคราะห์อีกคนพูดบ้างแล้วก็ดองไห้เลยดื่มซะหน่อยเถอะครับเดี๋ยวจะได้เป็นที่พึ่งผมว่าแล้วก็ส่งแก้วเหล้าให้หญิงสองคนรับแก้วไปดื่มอย่าโทษฉันเลยใครจะไปนึกหร่าว่ามันจะเป็นแบบนี้คนชื่อก้อนขอร้องโอ้ยขอเล่าอีกสักทีเถอะเด็ดกลิ่นเหม็นมันยังติดจมูกอยู่เลยแหม่อย่าพูดอะไรเลยนะนัะก้อน ผู้หญิงคนนึงสั่งห้ามไว้แบบเสียงสัน่นเราทั้งหมดไม่ได้รับอาหารเย็นเลยต่างคนต่างไม่ยอมกินกันทั้งหมดนั่งเกาะกันเป็นกลุ่มหญิงสองคนที่มาใหม่เกาะกันจนนอนหลับฝ่ายเราพวกผู้ชายก็นั่งบิดเบียดกันซึมๆหลับบ้างตื่นบ้างจนสว่างสุนัขหอนตลอดคืนแม่พวกผู้หญิงถือตัวเบียดเข้าชิดเราแมนิ่มก็เบียดสามีเด็กนั้นขดตัวหลับหมด ตอนเช้าขึ้นที่บ้านงานหน้าเวทนาเจ้าของบ้านยิ่งนักพวกแขกที่มางานกลับกันเป็นส่วนมากกำนันกับเจ้าบ่าวก็อยู่เพื่อจัดการศพจนเสร็จเอาไปวัดเราสองคนก็จำใจจริงๆจะทิ้งกลับก็ดูน่าเกลียดคิดสงสารในชุ่มก็เลยต้องอยู่จนหมดงานศพกลัวก็กลัวแต่ก็ต้องอดทนเอาประกอบด้วยไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีกจึงอยู่กันได้จนงานเลิกอาศัยเหล้าเป็นยากำลังคอแทบจะปอกเปิก เรื่องสร้างพระที่นมั่นจะไปนะตกลงก็เลยต้องเลื่อนเพราะที่แท้ณเอมณสายนั่นเองที่จะเป็นผู้สร้าง